ซึ่งปัจจุบันก็มีดาราตัวยืนโรงอยู่หลายรายแบบที่เห็นหน้าก็พร้อมจะกระตุ้นต่อมขำได้แล้วดาราพวกเนี้ยบางคนแค่เสียภาษีอย่างเดียวก็เป็น 10-10 ล้านแล้วเมื่อคนทั้งเมืองเจอยาเสพติดทางอารมณ์ขนาดแรงเข้าขั้นกัญชายาอี ก, กันทุกวันก็ <S <S <an> <S <S <an> เ, เป็นไปได้จริงครับที่พวกเราจะคลานกับการเสพอะไรที่น่าเบื่อพอหวนกลับไปเสพรายการระดับกาแฟบุรีหรือกระทั่งเบียร์อ่อน